นายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีขี่จักรยานยนตโชว์หลังตรวจเยี่ยมบูธศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่เปิดให้บริการในธรรมเนียบรัฐบาลโลกโซเชียลวิจารณ์ขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อก